บรรยายพระวินัยนัธรรมชั้นตรีม้วนที่สิบหกโดยพระอาจารย์บุญมีจันทระโมงคาทำมิกทุกรูปวันนี้เราก็มาศึกษาพระวินัยต่อในกันที่เก้าการที่เก้านี้ก็เราพูดกันเราเรียนกันในที่กรณาสมัะอธิกรณสมัะินั้นเป็น ธรรมะก็เป็นเป็นธรรมที่สําหรับระงับอธิกรณ์นะคื อ, อที่คณะสมปรศนั้นเป็นชื่อแห่งสิษยาบทหรือเป็นชื่อแห่งธรรมแปลว่าสําหรับระงับอธิกรณ์ก็มีอยู่เจ็ดประการด้วยกันอันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอธิกรณ์เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดจะต้องทําท่านเรียกว่าอาธิกรณ์ก็จําแนกออกเป็นสี่ด้วยกัน ทีหนึ่งวิวา ท, าทิกรสองอนุวา ท, าทิกรสามอาปตาธิกรสี่กิจจาทิกรวิวาทิกรนั้นก็ได้แก่การเถียงกันด้วยการปรารบพระธรรมวินัย เ, เช่นยกเอาเรื่องของพระธรรมวินัยมาเป็นเรื่องวิวาทกันเช่นเถียงกันว่า นี่เป็นวิญัยนี่ไม่เป็นวิญัยนี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมนี่สิ่งเป็นสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้นี่เป็นสิ่งที่สถาคตไม่ได้บัญญัติไว้นี่เป็นสิ่งที่สถาคตตัดภาสิทธิ์ไว้นี่เป็นสิ่งที่สถาคตไม่ได้ตัดภาสิทธิ์ไว้นี่เป็นสิ่งที่สถาคตประพฤติมานี่เป็นสิ่งที่สถาคตไม่ได้ประพฤติมา อนี่เป็นอวบัตินี่ไม่เป็นอวบัดนี่เป็นอวบัติเบานี่เป็นอวบัติหนักนี่เป็นอวบัติมีส่วนเหลือนี่เป็นอวบัติไม่มีส่วนเหลือนี่เป็นอวบัดหยาบนี่เป็นอวบัติไม่หยากคายเรื่องที่เอามาเถียงกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิวาทิกรทะเลาะกันในเรื่องของพระธรรมวินัยเพราะเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกกันท่านเรียกว่าอัทธาราสาเภทกรวัตถุวัตถุเป็นเครื่องแตกกัน นั่นเมื่อการทะเลาะอย่างนี้เกิดขึ้นจึงเรียกว่าวิวาธาธิกรคืออันิกรได้เกิดขึ้นแล้วนะอันิกรนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องได้รับการชี้ขาดว่าถูกผิดอย่างไรอันนี้ก็จะต้องทำให้เสร็จการส่วนการโจทกันกล่าวหากันด้วยการต้องอาบัฐต่างๆนะเรียกว่าอนุวาธาติกรนะคือโจท ทิศุรูปใดรูปหนึ่งว่าต้องอบัตนั้นต้องอบัตินี้เนี่ยเขาเรียกว่าอนุปันธ์อาทิกรอรื่อนี้ก็จะต้องได้รับการพิจิตช่ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรแล้วก็กิริยาที่จะต้องอาที่ต้องอบัตหรือถูกปรับอบัตนั้นท่านเรียกว่าอาปัตตาธิกรในี๋ยวพูดง่ายๆว่าอาบัตทั้งปวงนั้นชื่อว่าอาปัตตาธิกรผู้ที่ต้องอบัตก็ชื่อว่ามีอาทิกรเกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องจัดจะต้องทำต้องชำระเสียคือจะต้องทำคืนทำให้พ้นจากโทษอาบัตินั้นด้วยวิธีการต่างๆเช่นถ้าเป็นอาบัตสังาติเศษซึ่งเป็นครู ก, กาบัตที่เป็นฝ่ายสเตกิจฉาก็จะต้องออระงับด้วยการประพฤติุูธฐานวิธีคือหยุดกรรม จึงจะพ้นจากอบัตินั้นได้อธิกรนั้นก็จะระ ง, งับลงไปได้ถ้าอบัตที่มีโทษต่ำลงมาตั้งแต่ตุรัตใจบาจิตีไปเทศนิยะทุกกฎทุกปสิท์นั้นก็จะต้องแสดงต่อหน้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็พ้นได้อปัตตาธิกรนั้นย่อมระ ง, งับไปส่วนอธิกรประการสุดท้ายคือกิจจาอิกรได้แก่ธุระที่สงศ์จะพึงทำ เช่นให้การอุปสมบทเป็นต้นก็เรียกว่ากิจจาธิกรอันนี้ก็จะต้องทาให้สำเร็จเหมือนกันพระธรรมวินัยนัน้นเดิมก็เป็นแต่การจำกันมาตามตา ม, ตามกัดมาและก็ยังต้องการความอธิบายมาติการหรือภาษิตอันเป็นระโถเป็นฐานะอยู่ที่จะต้อง ผีสูงทั้งหลายจะต้องมีการกล่าวประรบกันมาเป็นลำดับจังนั้นก็เมื่อผู้ที่จามาผิดก็มีผู้ที่จามาถูกก็มีก็อาจจะต้องมีการกล่าวเทียนกันบ้างขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันซึ่งเราเรียกกันว่าวิวาหะทิก orn นนั้นอันนี้ก็จะต้องได้รับการชี้ขาดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอการเข้าใจพระธรรมวินยัยที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ตามยุคตามสมัยแม่ปัจจุบันนี้ก็มีความเข้าใจแตกกันลงไปบ้างตามเรื่องตามสมควรแต่เราก็ยึดเอาหลักฐานที่ดีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินพระธรรมวินัยนั้นเราจะต้องอาศัยหลักตัดสินพระธรรมวินยัยซึ่งกล่าวไว้ตั้งแปดประการมาทำเราได้เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด นทำเราใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดปราศจากทุกไม่สอดสะสมกองกิเลสทำเป็นไปเพื่อความอยากน้อยเป็นไปเพื่อสันโดษเป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี่ยงง่ายทำน nice. ั้นแหละชื่อว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระศาสดาถ้าทำใดเป็นไปตรงกันข้ามทำนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นธรรมเป็นวินัยก็ไม่ชื่อว่าคำสั่งสอนของพระศาสดานั้นหลักตัณฑ์ธรรมวินัยก็มีอยู่แล้ว นั้นต้องตัดสินชี้ขาดว่าอะไรที่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่างไรอันนี้ก็จะต้องระ ง, งับด้วยวิธีการใช้อธิกรารสมร tha ซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันไปเป็นลำดับลำดับไปถธรรมวินในที่รุ่งเรืองอยู่ได้นานก็เพราะว่าภิกษุนั้นได้ประพฤติตามโดยเอื้อเฟือ้อถ้ามีพวกอลัชีผู้ที่ไม่มีอายคือไม่มียางอายใจบาปละมกเข้ามาปะ ป, าปนอยู่ในหมู่พวกนั้นก็ย่อมทาให อ่าเพราะทำให้เภายในนั้นเกิดความเศร้ามองได้คือจึงเป็นหน้าที่ที่ภิกษุผู้ประพฤติดีอ่าเมื่อรู้เห็นแล้วก็จะพึงกล่าวตักเตือนอ่าหรือแม้โจรขึ้นในถ้ำกลางสงก็ได้เพื่ออ่าแก้ความประพฤตินั้นเสียหรือกําจัดคนที่เป็นอัตชีเสียจากสงข้อนี้ก็เป็นฐานะอยู่ว่าภิกษุผู้ละมุกจะได้ช่องหาความให้ภิกษุอื่นเหมือนกันอ่าเช่นสมัยครั้งก่อนนั้นก็มีพระเมติยาภิกษุกับภูมิชกกะภิกษุได้แต่ง อคือได้แต่งนางเมติยาภิกษุณีเนี่ยให้ทูลฟ้องใส่ความพระทัพพระมาะบุตรต่อพระบรมศาสด า, ศาก็เป็นเหตุให้เกิดอนุวานทานที่ก่อนขึ้นมาด้วยความไม่พอใจซึ่งเราวั่งเสียข้องกับอไม่พอใจกับพระทัพพร ะ, พะมาะบุตรในเรื่องการจัดให้ไปรับอาหารนั้นอ น, อนุวานทานที่ก่อนก็เกิดขึ้นนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รับการวินิจฉัย อากท่านผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของพระธรรมวินยัยว่าจริงหรือไม่จริงเออ่จะทําตามได้หรือไม่ยังไงเนี่ยก็ต้องอาศัยการที่จะต้องรับการวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องอย่างไรจริงหรือไม่อย่างไรงั้นทําไม่อย่างนั้นแล้วก็ความรังเกียจก็จะเพิ่มเกิดมีขึ้นในสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดการแตกแล้วไม่รองรองกันขึ้นมาเมื่ อ, อท่านผู้รู้ได้วินิจฉัยเด็ดขาดแล้วพิกสุทั้งหลายก็ควรที่จะฟังควรที่จะอ่ะ ตามทำตามประพฤติตามอาให้เกิดความสามัคคีอันนี้อส่วนพระธรรมวินัยนั้นจะรุ่งเรืองอยู่ในนานก็เพราะมีพระภิกษุที่ปฏิบัติตามาาาาพระธรรมวินัยดังกล่าวแล้วพระศาสนาจึงได้ส่งบัญญัติสิกขาบทเป็นเครื่องนาความประพฤติมีปรับอัต บ, บัตเกศภิกษุผู้ละเมิดนี้ก็เป็นทางเกิดแห่งเออาปตาัติติกอร์อาปาธิกอร์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำํำคืน อตามวิธีที่สําเร็จด้วยสงฆ์ก็ดีสําเร็จด้วยบุคคลก็ดีอเช่นได้กล่าวแล้วว่าถ้าสําเร็จด้วยสงฆ์ก็เช่นการประพฤติบูตฐานวิธีสําเร็จด้วยบุคคลก็คือการแสดงเอก็จะสําเร็จประโยชน์ได้พระสัสดานอกจากที่เอได้กล่าวถึงวิธีการในการที่จะให้ภิกษุได้ประพฤติปฏิบัติให้มีความเห็นตรงกัน ไม่ให้มีการโจทฟ้องกันในทางเสียหายและก็ให้ประพฤติปฏิบัติตามสีกขาบทเพื่อจะได้ไม่ละเมิดเป็นเหตุให้ต้องอา บ, บัติแล้วพระบรมศาสดาก็ทรงมีผู้ตรประสงค์ในการที่จะมอบการปกครองคณะไว้ให้แกศสงคือไม่ปล่อยให้บุคคลเป็นอิสระก็จึงทรงพระอนุญาตให้สงเป็นผู้ทํากิจเหมนนั้นขึ้นมาอันเรื่องโดยการปกครองคณะเป็นต้นว่ารับบุคคลที่จะเข้ามาอุปสมบท เช่นในเรื่องของการอุปสมบทกุลบุตรที่จ ะ, จะอุปสมบทเข้ามาในพระธรรมปีในอันนี้ก็เป็นทางอันหนึ่งที่ทําให้เกิดกิจากากจาที่ก่อขึ้นมากิจจาที่กรอเนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องทําให้สําเร็จไม่เช่นนั้นการงานก็จะไม่เป็นไปโดยสะดวกจะอยู่เฉยๆด้วยไม่ทําอะไรนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องอเพียงแต่ทําก็ไม่ทันสมัยบาที่ก็อาจจะอะยังคณะนั้นให้เกิดการ ตามๆลงไปก็ได้เหมือนกันนั้นพิสูจทุกรูปก็ควรที่จะรู้สึกต่อหน้าที่แล้วก็ร่วมใจในการที่จะทํากิจของสงฆ์ให้สําเร็จคือทํากิจของสงฆ์นั้นให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองและเพราะเหตุนั้นเองพระศาสด า, าก็จึงได้ทรงวางข้อสําหรับตัดทิศติกรทั้งสี่อย่างคืออติกรที่เกี่ยวกับวิวานทานติกรอนุวานทานติกรอปัติานติกรและขังกิจาติกรนั้นเราเรียกกันว่าอาธิกยณสมถะเนีก็มีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกัน อข้อหนึ่งก็คือสมุขาวิยอาสามุขาวินัยก็แปลว่าระเบียบอันพึงทําในที่พร้อมหน้าได้แก่กิริยาที่ระงับอติกรในที่พร้อมหน้าสงในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุและในที่พร้อมหน้าธรรมวิไนพร้อมหน้าสงนั้นก็คือพิสูจน์ผู้เข้าประชุมครอบองค์กําหนดเป็นสงพร้อมหน้าบุคคลนั้นก็คือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นก็อยู่พร้อมกัน พร้อมหน้าวัตถุ ก, ก็ได้ก่ยกเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมาวินิจฉัยกันและก็พร้อมหน้าพระธรรมวินัยก็คือว่าได้รับการวินิจฉัยโดยถูกต้องโดยทำโดยวินัยี่ส่วนข้อที่สองอา่อาอธิขนาสมรติฐาข้อที่สองนั้นก็คือสติวินยัยสติวินยัยแปลว่าระเบียบยกเอาสติขึ้นเป็นหลักได้แก่การอากิริยาที่สองสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติ สมบูรณ์เต็มที่เพื่อระงับอนุวานตาทิกรที่มีผู้โจทย์ท่านด้วยศีและบัติอ่าเช่นพระเมตติยากับภูมิมาฉกะที่ได้โจทย์กล่าวหาพระทัพพระมริบุตรซึ่งเป็นพระรหารได้ทําหน้าที่ในขณะนั้นว่าเป็นในขณะนั้นคือท่านทําหน้าที่ในการแจกพัดและก็กล่าวหาว่าท่านได้มีอะไรกับนางพิสุรีเมตติยานั้นสงฆ์ก็ได้ประกาศยก ว่าท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์แล้วจะไม่มีการตามผิดเด็ดขาด น, นี่ก็หลังอธิกรณ์นั้นจะระงับไปคือเป็นผู้มีสตินี่ไม่มีการละเมิดพระบินัยอธิกรณ์สมถตาข้อที่สามาอ ม, มูลหัสบินัยแปลว่าระเบียบที่ให้แก่พิสุผู้หายเป็นบ้าแล้วคือได้แก่กิริยาที่สองสวนประกาศให้สมมุติแก่พิษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะระงับอนุอาพตาอธิกร ณ, กรณ์ที่มีผู้โจทย์ด้วยความละเมิดที่เธอทำในขณะที่เป็นบ้า คือพิสูจนเป็นบ้าเนี่ยก็คือพิสูจนที่มีสติไม่สมอมีสติเอฟันเฟือนเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเป็นคนคนที่เป็นบ้าคนเป็นบ้าเนี่่ทำผิดพระวินัยก็ไม่ไม่ผิดหมายคถางว่าฆ่าคนก็ไม่มีความผิดหรือทําอะไรก็ไม่มีความผิดในพระวิ น, นัยเพราะคนเป็นบ้านั้นแต่เกิดใครไปฟ้องพระที่เป็นบ้าในในเมื่อตอนท่านหายแล้วเนี่ยจะปรับว่าท่านเป็นอาบัติอย่างนั้นเป็นอาบัติอย่างนี้นั้นอันนี้ทางพระวินัยได้ยกเว้นไว้เรียอมูลหัวินัย ไม่ต้องมีโทษเพราะว่าขณะธรรมนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่สมบูรณ์คือมีสติฟันเฟือนเป็นบ้า น, นั่นเองอาฉะนั้นก็ผู้ที่เป็นบ้านเนี่ยทําอะไรก็ไม่มีความผิดเอ่อจะเอาผิดกับคนบ้ามันก็คนที่เอาผิดก็ยิ่งจะบ้ากันมากกว่าเรื่อยไฉะนั้นก็การที่จะเอาผิดกับคนบ้า น, น่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนีนั้นพระพุทธองค์ท่านก็เป็นผู้ที่มีพยานอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ทางเข็ญการไกลยอยู่แล้วก็จึงได้ยก ผู้ที่เป็นบ้าทาผิดในตอนเป็นบ้านี้ไม่ให้มีความผิดนะไม่ให้มีความผิดถ้ามีใครมาโจทมาฟ้องมาว่าอะไรก็ถือว่าท่านทำผิดในขณะเป็นบ้าก็ไม่ต้องรับโทษอะไรนะทีนี้ข้อที่สี่เรียกว่าปฏิปฏิญญาตะกรณะปฏิญญาตักรณะนั้นแปลว่าทำตามรับได้แก่ปรับอาบัตตามปฏิญญาของจําเลย ผู้รับเป็นสัตว์การแสดงอาบัติก็จัดว่าทำปฏิญญาท่านก็นับเข้าในข้อนี้ด้วยคือหมายความว่าอาจำเลยได้แก่พิสูจนรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยได้ยอมรับคือทํารับว่าได้เป็นอย่างนั้นจริงได้เป็นอย่างนี้จริงเราก็ทําลงโทษตามนั้นระงับโทษตามที่ในปฏิญญานั้นแม้แต่การาที่เราแสดงอาบัติเอคือเทศนาบัติเนี่ยก็ ก็เป็นการสแสดงการปฏิญญาคือรับแล้วว่าต้องอวบัก็ขอสแสดงต่อและก็จะสํารวมระมัดระวังต่อไปอันนี้ก็เป็นการปฏิญญาเหมือนกันอวบเล็กน้อยหรืออวบที่เป็นละหุ ก, ก า, าอวบ น, นั้นย่อมระงับไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิป ร, ป ร, ปริญญาต่ากาันนะประการที่ห้าชื่อว่าเยพุยสิกาเยพุยสิกาก็แปลว่าตัดสินเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณ วิธีนี้ก็สําหรับใช้ในเมื่อมีความเห็นของคนทั้งหลายเนี่ยเป็นอันมากแตกต่างกันก็ให้ฟังเอาข้างมากก็มีวิธีลงคะแนนวิธีจับสลากวิธีกระซิบบอกอันนี้ก็เป็นการลงคะแนนว่าถ้าฝ่ายไหนได้คะแนนมากกว่าก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะก็เป็นอันวาพ้นโทษไปหรือว่าได้รับโทษไปตามความตัดสินนั้นเรียกว่าเยฟูเยสิกาเป็นการระงับอธิกรอีกชนิดหนึ่ง และข้อที่หกอาทิกรณสมมตถฐาข้อที่หกเรียกว่าตัดสปาวิยติกาแปลว่ากิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดอักกิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดนี่หมายความว่ายังไงอ่าหมายความว่าผู้ผิดแล้วแต่ว่าอ่ามีการเมื่อมีการวินิจฉัยหรือมีการสอบสวนอะไรขึ้นมาเนี่ยมักจะพูดกลับไปกลับมาปฏิเสธแล้วปฏิญญาปฏิญญาแล้วปฏิเสธ เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านบอกว่ า, าให้ลงตัดสภาวิยสิกากรรมคือเพิ่มโทษให้อีกนะเพิ่มโทษแก่ผู้เช่นนั้นอีกนี่งั้นข้อต่อไปคือข้อที่เจ็ดเรียกว่าตินนวัตธารกาวิ น, นัยแปลวา่าระเบียบดังกบไว้เลือยยากก็ได้แก่กิริยาที่ให้ประดีประนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระสะสารหาความเดิม แลาวิธีนี้ก็สําหรับใช้ในเรื่องที่ยุ่งยากและก็เป็นเรื่องที่สําคัญจะเป็นเครื่องกระพบกระเทือนทั่วไปเช่นเรื่องพิสุเอเมืองโกสัมพีที่แตกกันเป็นตัวอย่างอันเรื่องตินนะวตตขาธารกาวินัยนี้เป็ น, เ ป, นเป็นวิธีการระงับด้วยเหมือนกลบไว้ได้ยหญ้เราเราอะไรกลบหญ้าไว้ไม่ต้องไปสาวหาเรื่องราวขึ้นมาก็ได้กล่าวแล้วว่าเกิดขึ้นแก่คนจํานวนมากถ้าจะกล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้อะไรก็มันก็จะมากมายขึ้นมา ถ้าเรื่องราวคนจำนวนมากทําขึ้นพร้อมกันเนี่ยก็ให้ใช้วิธีตินะวัารกะวินัยคือให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความผิดต่อกันเนี่ยประชุมพร้อมกันเมื่อมีความตกหลงอะไรประชุมพร้อมกันเมื่อประชุมพร้อมกันแล้วฟิกสุกฝ่ายหนึ่งก็ให้ทํายติตั้งยติฝ่ายของตนเออคือเ อ, อสวดประกาศเป็นคํำพเดียให้ทราบมันจะทําอะไรส่วนดีฝ่ายหนึ่งก็ตั่งยติเ อ, อเพื่อให้ ฝ่ายนั้นได้รับทราบว่าจะทําอะไรเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ตั้งยติแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็จะมีการสวดประกาศด้วยการสวดยติทุติยกรรมอวายจาแล้วก็สแสดงอบัตแทนฝ่ายตนฝ่ายตนก็ชื่อว่าเป็นการระงับอธิกรณ์ น, นั้นแล้วเป็นการระงับด้วยตินนะวะตารกาบิณัยซึ่งวิธีนี้เราก็ไม่ไม่ไม่เคยทํากันเพราะว่าการแตกแยกกันเป็นจํานวนมากหรือการเกิดเกิดขึ้น ต้องบัตรเป็นจำนวนมากไม่ค่อยมีแต่ว่าในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นก็เคยมีเช่นพิสูจนเบืองชาวโกสัมพีที่ได้เกิดแตกแยกกันพระธรรมมาธรรมมาธรรมมานกับพระวิษณีทอนซึ่งมีลูกศิษย์ต่างก็มีลูกศิษย์ฝ่ายละห้ารอยเหมือนกันก็เกิดการทะเลาะวิวาสแตกแยกกันเมื่อบิน เ, เกิดทะเลาะวิวาทกันแล้วเข้าไปบินตบาทในบ้านก็เกิดประหัตประห า, หารกันด้วยหอกคือปากคำว่าหอกคือปากเข้ามายัึงด่า ก, กันทันทีไม่ใช่ว่าทิ่มแทงกันด้วยหอกจริงๆนะหอกในที่นี้ก็คือปาก จนเป็นเหตุนในพระศาสดาได้เสด็จปลีกตัวพระองค์ไปอยู่ที่ป่าลีลายกะแล้วก็ภายหลังพิสูจทั้งสองฝ่ายเกิดความรู้สึกตัวว่าที่ตนได้กระทําไปนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเพราะชาวบ้า น, น NT, ได้เอ็นตี้ไม่มีการใส่บาตรไม่มีการไหว้ไม่มีการเคารพสจ้าการะก็จึงได้พรอ้อมเพรียงกันติดตามพระพุทธเจ้าไปจนถึงเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีสร้างถวายในกรุงสาวัตถีแล้วก็พระองค์ก็ได้ ให้ระ ง, งับอธิกรด้วยวิธีนี้่ิตินะวัรารกะวินัยแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำสาสามคัครีบโสถเกิดขึ้นมาฉะนั้นองคาสมุควิริยโสถก็เกิดขึ้นตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิธีการระ ง, งับอธิกรด้วยด้วยอธิกรสมรรถะเจ็ดประการอที่กล่าวมานี้ทีนี้สมุขขาวินัยนั้นเป็นอย่างไรที่เราใช้ระ ง, งับอธิกรอะไรบ้างสามุขคาวินัยนั้นเป็นเครื่องระงับอติกรได้ทุกอย่าง ครือระงับได้ทุกอย่างทั้งวิวาทาติกอนทั้งอนุวานตาติกอนทั้งอาปตาติกอนและก็ทั้งกิจตาติกอนคื่อระงับได้ทุกอย่าง้มดเลยคือพร้อมหน้าส่วนสติวินัยแล้วก็อมูลหัวินัยนั้นแล้วก็ตัดสปาวิสิกาทั้งสามอย่างนี้เป็นเครื่องระงับอนุวานตาติกอนนะเป็นเครื่องระงับอนุตาติกอนสติวินัยอมูลหัวินัยตัดสปาวิสิกาทั้งสามนี้เป็นเครื่องระงับอนุวานตาติกอนเมื่อมีใครโจทดหรือกล่าวหากันขึ้นก็ใช้ เอ่าอนทิกระสับสมถตาทั้งสามนี้เป็นเครื่องนะครับและข้อปฏิญญาตะกระนะตกับตินนวัฏฐานะนั้นท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องระงับอาปัตตาทิกรคือระงับเฉพาะผู้ที่ต้องอบัติหรือมียาบัติเกิดขึ้นแล้วก็ระงับด้วยการรับปฏิญญาแล้วก็การกอบด้วยยาดังที่ว่าคือตินนวัฏฐานะวิาา น, นัยส่ว น, นสุเด็จสมหาสมัยเจ้าท่านว่า น่าจะใช้เป็นเครื่องระ ง, งับอนุวัตาตรัยกรได้ด้วยก็ได้และก็ยัฟฟิสิกาใช้เป็นเครื่องระ ง, งับเฉพาะวิวาาัติตรัยกรอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นกันที่เก้านะกันที่เก้าเรียกว่าที่กัลสัมปทาที้เราก็มาขึ้นกันที่สิบต่อไปนะี่ยกานที่สิบนั้นได้พูดถึงเรื่องมาตรานาะมาตรารามีสิกาบทบางข้อเนื่องด้วยมาตราบางอย่าง รวมกันเข้าแล้วเนื่องด้วยมาตราเกือบทุกอย่างสมควรที่เราจะกล่าวอสมควรที่จะพูดถึงมาตราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นยังไงกิริยากําหนด ป, ประมาณเราเรียกกันว่ามาตรานะกิริยากําหนด ป, ประมาณเ ร, าเรียกว่ามาตราแจกออกเป็นประเภทโดยเฉพาะต้องการในที่นี้ก็เป็นห้ามาตราด้วยกันคือหนึ่งมาตราเวลาสองมาตราวัด สามมาตราตรวงสี่มาตราช่างและห้ามาตราโรปิยะเอาวิธีนับ <c oughs> วิธีนับมาตรานี้ในคำพีทั้งหลายากล่าว <c oughs> อาจจะมีการแตกต่าง ก, กันไปก็มีอขออภัยยิ่ง <c oughs> ละเอียดยิ่งก็มีการแตกแตกกันแตกต่างกันยิ่งขึ้นสำหรับมาตราเวลานั้น <c oughs> หลักแข่งมาตราเวลา กำหนดเอาการเวียนแห่งพระอาทิตย์รอบโลกครั้งหนึ่งเป็นวันหนึ่งนับตั้งแต่เห็นแสงอาทิตย์เรื่อเรื่อซึ่งเรียกว่าอารุณ์หรืออารมณ์ขึ้นเนะียมีทั้งวิธีกระจายออกและก็ออกวิธีผนวกเข้าทีนี้วิธี <c oughs> อที่จะกล่าวตามกําหนดของอาตามโคโจรของพระจันทร์นั้นท่านกล่าวอย่างนี้ สิบห้าวันบ้างสิบสี่วันบ้างเป็นหนึ่งปักเขาว่าสิบห้าวันหมายถึงวันหมายถึงกลางเดือนหรือสิ้นเดือนแต่เดือนนั้นเป็นเดือนเต็มส่วนสิบสี่วันนั้นเป็นเดือนขาดฉะนั้นสิบห้าวันบ้างสิบสี่วันบ้างนั้นเป็นหนึ่งปักสองปักเป็นหนึ่งเดือนสี่เดือนเป็นหนึ่งฤดูสามฤดูเป็นหนึ่งปีนะย ที่กล่าวนี้ก็หมายถึงพระจันทร์โคโจ ร, รรอบโลกหนึ่งหนก็ได้ตามหลักวันได้ยี่สิบเก้าวันครึ่งนะจะนับยี่สิบเก้าวันเป็นเดือนก็หย่อนไปจะนับสามสิบวันเป็นเดือนก็อาจจะยิ่งไปสักนิดหนึ่งนั้นก็แต่ว่าเรานับส่วนใหญ่ก็เอาสามสิบวันสามสิบวันที่เป็นเรื่องของการกาหนดนะการกำหนด อึงอย่างไรก็ตามอาในเรื่องของของฤดูนี้อาจจะเข้าใจผิดแผกไปบ้างคือบางคนอ่านเข้าใจผิดในเรื่องของฤดูว่าอสามฤดูก็เท่ากับอสามฤดูนั้นเป็นหนึ่งปีเนตแต่ฤดูแล้วน่ะเอาตั้งแต่ไหนไปถึงยังไงอันนี้เราก็จะได้ศึกษาในในเมื่อพูดถึงเรื่องของฤดูก่อนเเมื่อพูดถึงเรื่องของฤดูฉะนั้นเราจะตอนนี้อ ย, ย่าอย่างในพูดถึงม ร, รดูนั้นนับตั้งแต่ไหนถึงไหนเป็นฤดูอะไรเนี่ย ส่วนเดือนนั้นก็ตั้งชื่อขึ้นมาการตั้งชื่อเดือนนั้นตั้งชื่อตามอะไรอตั้งชื่อตามดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือพระจันทร์โคโจร ถ, ถึงในวันเพ็ญเวลาเที่ยงคืนก็มีชื่อเดือนอย่งนี้อ่ามาคิตสม า, นะ ม, าสมารถนศมาคสามารถนี่ว่าเดือนอ้านะเป็นเดือนอ้ายหรือเราเรียกกันวันเดือนหนึ่ง ปุตตมาธา <c oughs> เดือนสองหรือเดือนยี่มาคมาธาเดือนสามภคุณมาธเดือนสี่จิตตมาธาเดือนห้าวิสาขมาธาเดือนหก <c oughs> เชิดธรรมาธเดือนเจ็ดอาสาลหมาธาเดือนแปดสาวณมาธาเดือนเก <c oughs> ้าภัตตาภัตถมาธา เดือนสิบอัษยุดมาศหรือปฐมกติกรรมมาศเดือนสิบเอ็ดและก็กติกรรมมาศเดือนสิบสองแนวเดือนก็มีทั้งหมดสิบสองเดือนด้วยกันนะมีสิบสองเดือนอส่วนฤดูที่ว่ามีสามฤดูนั้นก็มีชื่ อ, อแต่ฤดูดังนี้อ่า เห็นมันตรุดูะดูหนาวเห็นมันตรุดูฤดูหนาวเนี่ยนับยังไงท่านนับตั้งต้นขึ้นตั้งแต่อ่ามิค่ะอ่ามาฆาสีระคือแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบสองของเราจนถึงกลางเดือนสี่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิบสองจนถึงกลางเดือนสิบสี่เรียกว่าเห็มมันตะุดูคือฤดูหนาวอฤดูที่สองเรียกว่าคิมหะ ะดูฤดูร้อนดูร้อนนั้นนะตั้งต้นตั้งแต่เดือนจิตตะอืมคือแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ของเราของไทยเราเนี่ยจนถึงอ่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดในจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดนี้เป็นะดูร้อนเนี่ยฤดูที่สามเรียกว่าวัดสันตฤดูฤดูฝนฤดูฝนนี้ตั้งต้นตั้งแต่เดือนสาวันะ เอ่อเดือนสัรวัะหมายถึงเดือนเก้านะแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดแต่ยังแรมดึงค่ําเดือนแปดของเราจนถึงกลางเดือนสิบสองนี่ระดูฝนแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดจนถึงกลางเดือนสิบสองนะเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นระดูฝนเรียกว่าสันตะระดูนะส่วนมาตราวัดมาตราวัดนี่ก็คือสําหรับกําหนดรู้ระยะห่างชิดสูงต่ํายาวสั้นกว้างแคบเคาะอย่างนี้ เน่คือให้รู้ว่าอย่างไรนี่การวัดมีมีอย่างไงก็มีรูปที่จะพึงวัดดังนี้ใช้ว่าเจ็ดเจ็ดเมล็ดข้าวเป็นหนึ่งนิ้วสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคืบสองคืบเป็นหนึ่งศอกสี่ศอกเป็นหนึ่งวายี่สิบห้าวาเป็นหนึ่งอาสุภะแปดสิบอาสุภะเป็นหนึ่งขาวุธสี่ขาวุธ เป็นหนึ่งโยตอันนี้ก็เป็น เ, เป็นมาตราในการวัดระยะทางสั้นทางยาวทางสูงทางต่ำอย่างไรและอีกอย่างหนึ่งท่านเราว่าสี่ศอกเป็นหนึ่งธนูห้าร้อยธนูเป็นหนึ่งโกศ ส, สี4โกะเป็นหนึ่งข่าวุธสีขาวุธเป็นหนึ่งโยตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันคือว่านับนวิธี วิธีวัดระยะทางระยะความยาวและก็มาตราต่อมาก็คือมาตราตวงมาตราตวงนี้ก็เป็นมาตราวัดนั่นเองนะแต่เป็นวัดอีกชนิดหนึ่งนะมาตราวัดอีกชนิดหนึ่งเป็นมาตราตวงใช้ด้านตั้งหรือด้านสูงขึ้นอีกมาตรานี้ก็สำหรับใช้กะประมาณของเช่นน้าหรือข้าวนะก็มีอย่างนี้ซีมุ ธ, ธิ คือกำ ม, มือพุตธิแปลว่ากำมือเป็นหนึ่งกุฎทวะกุฎทวะแปลว่าฝ่ายมือนะฝ่ายมือสองกุฎทวะเป็นหนึ่งปัตถะคือกอบปัตถะในกอบสองปัถะเป็นหนึ่งนาลีนาลีนี่ก็คือธนานสีนาลีเป็นหนึ่งอลาหกนะสีนาลีเป็นหนึ่งอลหกอันนี้ก็เป็นมาตราตัวนะ และก็อีกประการหนึ่งก็คือมาตราช่างมาตราช่างนี่ก็สําหรับช่างเช่นช่างเข้าสารช่างกับอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยช่างสิ่งของต่างๆก็มีมาตราสําหรับช่างอ่าของอื่นจากเงินทองก็มีอย่างนี้สี่เมล็ดข้าวเปลือกเป็นหนึ่งกุมชาสองกุญชาเป็นหนึ่งมาศห้ามาศกเป็นหนึ่งอัคคาแปดอัคคาเป็นหนึ่งธรณนะสิทธรณะเป็นหนึ่งปะละ ร้อยพรรละเป็นหนึ่งตุลายี่สิบตุลาเป็นหนึ่งพรรนี้ก็เป็นเป็นมาตราช่างนะนั้นก็พึงเข้าใจตามนี้ในการที่เราจะทําความเข้าใจในสับทางพระวินัยหลายๆอย่างสำหรับวันนี้เวลาของเราก็สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธมิกทุกรูปที่กําลังศึกษานัธรรมชั้นตรีอยู่ เพื่อนสาธรรมิกทุกรูปที่กําลังศึกษาณธรรมชั้นตรีอยู่แล้วันนี้เราก็มาเรียนในมาตรในกันที่สิบเกี่ยวกับมาตราต่อจึงราวที่แล้วเราก็ได้ศึกษามาถึงมาตราช่างมาตราช่างนี้ก็เป็นที่รู้ว่าคือช่างน้ําหนักว่าอะไรหนักขนาดไหนอย่างไรอามาตราช่างนั้นก็หมายถึงโบราณ ท่านท่านใช้วิธีช่างแบบโบราณฉะนั้นเราก็ต้องเรียนแบบโบราณไปก่อนเอก็คือมาตราช่างนี้ท่านกำหนดมาอย่างนี้สี่มเมล็ดข้าวเปลือกเป็นหนึ่งกุญชากุญชานี้ก็ได้เก็บ ก, กล่อมสองกุญชาเป็นหนึ่งมาศมาศนี้แปลว่ากล่ํำนะกล่ําถ้ามาศเท่ากับสองอัคาระแปดอักคาราก็เท่ากับหนึ่งธารณะสิทธารณะก็เป็นเอ่าเป็นหนึ่งปะละร้อยปะละก็เป็นหนึ่งตุลา ยี่สิบตุลาก็เป็นหนึ่งพาละาสําหรับมาตราที่ช่างทองเงินเอแต่ไม่ใช่รูปยะนั้นก็มีทังนี้สี่เมล็ดข้าวเปลือกเป็นหนึ่งกุญชาสองกุญชาเป็นหนึ่งมาศกห้ามาศกก็เป็นหนึ่งอาขะแปดอาขะเป็นหนึ่งธรณนะห้าธรณะก็เป็นหนึ่งสุวันนะห้าสุวันนะก็เป็นหนึ่งนิขะนี่ทีนี้มาตราอีกต่อมาก็คือมาตรารูรปยะ แต่เมื่อมาตาราลูกิยะคือเงินของอินเดียเงินโรปีแต่ก็เรียกสั้นว่ารูปีอ่าที่จริงก็คือรูกิยะนั่นเองมาตราเกี่ยวกับรูกิยะก็สําหรับกําหนดตีราคาสินค้าก็ใช้กหาปณ ะ, ะเป็นหลักมาตราก็มีวิธีกระจายและก็มีวิธีประนวกดังนี้นะก็คือห้ามาศ ก, ก็เท่ากับหนึ่งบาทสี่บาทก็เท่ากับ หนึ่งหาปณะนะัสนะบาทเท่าหนึ่งคหาปณะนะนะนี่เป็นเป็นมาตราที่เกี่ยวกับรูบิยะที่เร า, เาศึกษามาในข้อปาราชิกว่าพิสุถือเอาสิ่งของที่เขาไมา่ได้ให้ได้ราคาห้ามาศกก็เป็นอาบาัตประชิกแล้วก็ห้ามมาศกก็คือหนึ่งบาทนั่นเองนะหนึ่งบาทนะีท่มาตราพิเศษเมาตราพิเศษ ก็ในสิขาบททั้งหลายเมื่อกล่าวถึงมาตราวัดมาท่าวัดสั้นนะคือวัดสั้นก็กำหนดให้ใช้สุคตประมาณเช่นคืบพระสุคตนิ้วพระสุคตก็หมายความว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องสันส้นๆเกี่ยวกับการวัดสันส้นๆเนี่ยพระพุทธองค์มักจะใช้นิวหรือใช้คืบของพระองค์เป็นหลัก แต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ยาวลกรกไกลก็ใช้อย่างอื่นไม่ไม่เอาไม่ไม่ใช้สุคต์น ะ, ะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จริงลงสันนิษฐานว่าพระศาสดานั้นทรงกำหนดนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์เองอเป็นหลักเมื่อตราวัดสำหรับใช้วัดสัน้นาะว่าเมื่อกล่าวถึงโยศแล้วก็ไม่มีโยศสุคตเลยก็ไม่เคยมีที่ไหนว่าเป็นเท่ากับโยตสุคตไม่มี แต่ว่านิวสุโคตรืบสุโคตรนั้นมีแน่เช่นการสร้างกุฎีที่ต้องก่อหรือโบกหรือปูนหรืดินนั้นจะต้องทำมาในประมาณประมาณนั้นก็คือยาวสิบสองคืบและก็กว้างเจ็ดคืบของพระสุโคตวัดในรวมในอันนั้นก็เป็นคืบเหมือนกันแในเรื่องจีวรเรื่องอะไรต่างๆก็มักจะพูดถึงคือบและก็เป็นของสัน้นตาเป็นโยต์เป็นไกลแล้วก็ไม่เคยมีที่ไหนที่บอาว่าคืบเออโยต์โยต์ของสุโคตไม่มี ฉนันก็เป็นอันว่าสิ่งที่ไกลๆพระองค์ก็ไม่ได้เอาเอานิ้วหรือครืบของพระองค์เป็นเป็นมาตราในการการวัดนะจนะเป็นมาตราในการวัด เ, เรื่องของการวัดนี้นะกําหนดเพียงอาบางแห่งบางประการที่พระองค์ท่านทรงใช้วัดนะแต่ว่าพระอังกัตธัชฌานท่านก็แก้เรื่องสุคต์ไว้หลายอย่างเหลือเกิน เออเช่นในรอกสาท่านว่าคืบสุกศนั้นก็เท่ากับสามคืบแห่งคนปานกลางในครั้งนั้นก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านี่คงจะคืบยาวอ่สุคืบหนึ่งคืบสุกศเท่ากับสามคืบแห่งคนปานกลางในครั้งนั้นเป็นศอกคืบกับช่งางไม้ซอกคืบช่งางไม้ทุกวันเนี่ยนั้นทหาพระมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงกว่าคนธรรมดา ตาพิจนาตามนี้ก็เป็นสูงถึงสิบสองสอบช่างไม้สูงกว่าคนสามัญมากนะ่ะสูงกว่าคนสามัญมากแต่ว่าตาพิจนาอีกในที่ต่างๆซึ่งมีในพระวินัยก็ดีในพระสูตรก็ดีนั้นพระศาสดามิ่น่าจะสูงมากถึงขนาดนั้นอคือไม่ใหญ่โตวกว่าคนในยุคเดียวกันนะก็มีเรื่องสาทกหลายเรื่องที่แสดงไว้ในบางเรื่องก็พอเป็นอุตหหอนก็มีเช่น พระ อ, น อ, น อ, อานนท์พุทธอุตตะพุทธอเมชามีรูปร่างงดงามคล้ายกับพระบรมศาสดาแต่ว่าต่ำกว่าพระศาสดาสี่นิ้วท่านครองจีวรมีประมาณเท่ากับสุคตจีวรคือเท่ากับจีวรของพระพุทธเจ้าเรื่องที่สองที่พอจะยกมาให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่สูงหรือใหญ่โตมากนักก็คื อ, อเรื่องเกี่ยวกับการทรงทรงเปลี่ยนผ้าสังขติ ให้กับพระมหากัตตปะคือได้เปลี่ยนเอาผ้าสังกติของพระองค์ให้มหาคัสตาปะแล้วก็เอาสุกติอ่าสังกติของพระมหาคัสตาปะนั้นมามาสรงพระองค์เองเอแล้วก็ได้จัดได้ยกย่องพระมคัตตปะอันนี้ก็เรื่องสังกติถ้าหากว่าใหญ่กว่ากันก็คงจะทำคงจะส่งไม่ได้ฉะนั้นก็น่าจะไม่ใหญ่กว่ามากเท่าไหร่นะและเรื่องที่สามก็คือเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูอ่าซึ่งได้กล่าวว่าพระเจ้าศัตรูนั้นไปเฝ้าพระาศาสดาในคืนวันหนึ่ง พระองคเสด็จประทับนั่งอยู่กับภิกษุสงฆ์นะอยู่กับภิกษุสงฆ์แล้วก็เอาจาร้าศิรนั้นกําหนดไม่ได้ว่าไม่กำหนดว่าผู้ใดเป็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเป็นใครก็จึงไม่ถามหมอชีวกโกมารพัชว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าและองค์ไหนเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ยก็สันนิษฐานได้ว่าพระพุทธองค์ก็ไม่น่าจะมีรูปร่างใหญ่มากเกินไปนะน่าจะมีรูปร่างก็อเลี่ยเรีย กับพระสาวกทั้งหลายด้วยกับคนในยุคนั้นไม่มากนะเช่นพระอานนท์นั้นต่ำกว่าพระพุทธองค์เพียงสี่นิ้วเท่านั้นเองอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทั้งสาวเกี่ยวกับการมาตราวาสแต่ น, นี้ก็เรามาดูศัพท์ต่างๆในทางพระวินัยคื อ, อพระวินัยที่เราเรียนกันมานี่ก็ทั้งหมดก็มีสิบสิบสิบกันด้วยกันนะสิบกันด้วยกันเราก็เรียนมาจนครบสิบกัน บริบูรณ์แล้วนะการสุดท้ายก็เป็นการเรื่องของมัตราแต่ว่าแต่ละกันแต่ละกรรมที่ผ่านมานั้นก็ล้วนแต่มีศัพหลายหลายศัพท์ที่ทำให้เราไม่เข้าใจความหมายฉะนั้นก็ศัพท์นี้ก็เป็นสำคัญมากที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจบางศัพท์นั้นก็จะนำมาให้ท่านศึกษาในศัพที่ขึ้นต้นอักษรออก่อนอักษรอออ่างก่อนออ่อาอักษรอออ่างออ ซึ่งมีหลายศัพท์แต่ว่าก่อนที่จะศึกษาศัพท์และก็นในคำสอนโออ่างนี้เราก็ศึกษาศัพท์กับอศัพท์อื่นบ้าง ต, าต่างสมควรก่อนนะเช่นศัพท์ในทางพระวินัยที่กล่าวไว้เอในในนวโกวาดนี่นะเช่นศัพท์คําว่าคําว่านวโกวาดในหมายความว่าอย่างไรอนวโกวาดนั้นก็หมายความว่าเป็นคําสอนคําสอนสําหรับผู้ใหม่น ว, วกแะแปลว่าใหม่ และก็โอวาทนะนวะ่าบวกกับโอวาทก็คือคําสอนสําหรับผู้ใหม่คําว่าผู้ใหม่ในที่นี้ก็คือผู้ที่บวชในพระธรรมวินัยนี้ใหม่ๆฉะนั้นนะว่าโอวาจะเป็นคําสอนสําหรับผู้ที่บวชเข้ามาใหม่จะได้รู้และได้ปฏิบัติอย่างไรในทางที่จะไม่ให้ตนนั้นต้องได้รับโทษในทางพระวินัยเมื่อมีการกระทำผิดก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ธรรมะในเบื้องต้นก็ต้องศึกษาให้เข้าใจจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามสมควร นี่เกเรวศัพท์คาว่านะว่ากูวานี่คำว่าอนุศาสต์คำว่าอนุศาสต์นั้นหมายความว่าอย่างไงคำว่าอนุศาสต์นั้นหมายความว่าคำทํำสอนหรือคําตามสอนที่เท่าปัญญาะพึงสอนแก่สัตว์ที่ิหาริกผู้อุปสมบทเสร็จใหม่ๆนี่อนุศาสต์นี่ยคำว่าอนุศาสต์คือคำท่สอนหรือคําตามสอนที่ปัญญายจะพึงสอนแก่สัตว์ทีิหาริกผู้อุปสมบทใหม่ๆและก็คําว่านิสัย คำว่านิสัยนั้นก็หมายความว่ากิริยาที่ฟึ่งผิงหรือปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยของบรรญัตชิตก็เรียกว่านิสัยคำว่ากอนุญากิดคำว่ากฏอนุญากิดนะั่นคือกิดอันบันรญชิตไม่ควรทําหรือบรรญัตชิตทําไม่ได้นะกิดอันบัญญัตชิตทําไม่ได้ก็ซึ่งก็มีอยู่ในอกฏอนุญากิดสี่ที่มีอยู่ในอนุศาสตร์เศษเมทุนละของเขา สัตว์และก็พูดบทคุณพิเศษที่ไม่มีในตนนั้นนั่นเป็นอกรนิยรกิจในคําว่าสิกขาคําว่าสิกขาสิกอาคาว่าสิกขานั้นหมายความว่าศึกษาหรือการศึกษาศึกษาหรือการศึกษาก็มีทั้งหมดก็สิกขาสามสิ่งสมาธิปัญญาที่เราเรียนกันมาแล้วแต่คําว่าสิกขานั้นคือการศึกษาหรือการเอคือศึกษาหรือการศึกษาคําว่าอวบัต คำว่อบัตนั้นได้แก่กิริยาที่ล่วงละเมิดพุทธบัญญัติมีโทษเหนือตนอยู่นะอาบัตนั้นคือกิริยาที่ล่วงละเมิดพุทธบัญญัติมีโทษเหนือตนอยู่ถ้าหากว่าไปละเมิดเอสิกขาบทที่ทรงบัญญัติห้ามไว้ก็มีโทษเหนือตนอยู่นั่นแหะท่านเรียกว่าอาบัตนะแปลว่าความต้องอาบัตนี้แปลว่าความต้องหรือความถึงคือต้องโทษแล้วก็ถึงซึ่งโทษนั่นเองนะ อคำว่าครุกาบัตครุกาบัตก็ได้แก่อบัตหนักครุแปลว่าหนักนะครุกาบัตได้แก่อบัตหนักอบัตหนักนั้นได้แก่อบัตอะไรได้แก่อบัตปาราชิกกับอบัตสังขาธิเศสนะอบัตหนักมี่สองอย่างคืออบัตปาราชิกกับสังขาธิเศสแต่ว่าอบัตปารชิกนั้นเป็นอบัตหนักที่แก้ไขไม่ได้เป็นอติกิจชาส่วนอบัตหนักที่เป็นสังขาธิเศตนั้น เป็นสติขจาแก้ไขได้นี่ยและคำว่าอัลลฮุกาบัดได้แก่อบัดเบาละหุนึกเลยว่าเบานะละหุกาบัดได้แก่อบัดเบาอาบัดเบานั้นหมายความเป็นอยัางไงหมายความว่าเป็นอบับดับที่สามารถปลดเรื่องได้โดยง่ายคือปลดเรื่องด้วยการแสดงต่อหน้าสงหน้าคณะหรือหน้าพิสูรรูปใดรูปหนึ่งก็พ้นได้ นี่ท่านจริงๆีอกเบาได้แก่อับัตตั้งแต่ทุลจัยลงไปจนถึงทุพภาสิกเนี่ยคําว่าอเตกิจฉาอเตกิจฉานี่เลยว่าแก้ไขไม่ได้นะแก้ไขไม่ได้ก็หมายถึงอับัตที่มีโทษหนักจนแก้ไขไม่ได้ก็คืออับัตปรชิกนี่แก้ไขไม่ได้นะเมื่อพิสูุต้องเขาแล้วก็มีอย่างเดียวก็คือสลับเทปไปนะไม่เป็นพิสูพภาวะในพระพุทธศาสนาหรือเหมือนบุรุษขอขาด แล้วก็เอามาต่อมันก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้ซึ่งเปรียบเหมือนกับตายอดด้วนแล้วก็จะเอาน้ำมารดให้มันงอกขึ้นก็ ข, ขึ้นไม่ได้เปรียบเหมือนศิลาแท่งศิลาที่แตกแล้วจะมาประสานให้มันติดเหมือนเดิมก็ทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือที่เปรียบเหมือนใบไม้ที่เหลืองที่แก่แล้วหล่นลงมาอย่างนี้ก็มีแต่จะตายไปถตอนนั้นเองนั้นอตกิจหาจึงแก้ไขไม่ได้คืออวบปาราชิก และคาว่าสเตกิจฉาอันนี้แปลว่าแก้ไขได้แก้ไขได้ก็หมายความว่าอบัตที่พิสูจน์ต้องนั้นสามารถเยียวยารักษาแก้ไขได้อาบัตที่สามารถจะแก้ไขได้ก็มีตั้งแต่อาบัตสังคารพิเศษลงไปอาบัตสังคารพิเศษนั้นก็แก้ไขด้วยวิธีการประพฤติวุฒานวิธีก็ืออยู่กรรมกระพุตทรมานตนจนครบกาหนดตามพระวินัยจึงสามารถ ่ให้สงอภานออกจากการประพุ้ดเช่นนั้นได้ด้วยกข้ามูต่ำเดส่วนอาบัตนอกนั้นตั้งประตูเลือดใจลงไปก็ใช้วิธีการแสดงก็พ้นได้อันนี้เรียกว่าสติกิจชาแก้ไขได้และคําว่าสมุทฐานแห่งอาบัตสมุทฐานแห่งอาบัตนั้นก็ที่เกิดแห่งอบัตที่เกิดของอบัตที่เกิดของอาบั ต, ออบตนั้นก็มีโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงก็คือลําพังกายลําพังวาจากายกับวาจากายกับจิตมาจาขับจิตนะ กายกับกายวาจาลำพังกายลำพังวาจากายกับจิตวาจากับจิตแต่ส่วนในบาลีท่านเพิ่มเข้ามาอีกสองก็คือกายวาจากายวาจาจิตขึ้นมาอันนี้เป็นสมุดฐานแห่งอัตบัตคือที่เกิดของอัตบัตนั่นเองคําว่าสจิตตะกะนะคําว่าสจิตตะกะนั้นเอได้แก่เจือด้วยจิตนะเจือด้วยจิตก็คือมีสมุดฐานเจตนานั่นเองเจตนาในการที่จะทําอะไรลงไป ในการที่จะล่วงสิขาบทสิขาบทนั้นเรียกว่าสจิตรกะแปลว่าต้องมุ่ยมีจิตเจตนามีจิตเจืออยู่ด้วยนะคำว่าสจิตตกะอันนี้ไม่เจือด้วยจิตคือไม่มีเจตนาในการที่จะล่วงละเมิดนะไม่มีเจตนาในการที่จะล่วงละเมิดแต่ว่าบางสิขาบทท่านก็ปรบาบอาบัติเหมือนกัน เการดื่มน้ำเมาเนี่ยไม่เจตนาจะดื่มมีคนเอามารักสะกโลกใส ป, ปากท่านก็ปรับอบัติเหมือนกันนั่นเรียกว่าอาจิตตกะหรือว่าไม่มีเจตนาคำว่าโลกวัชะนะโลกาวัชะนี่อคือมีความผิดทางโลกโลกเขาติดเตียนนั้นะมีความผิดทางโลกแล้วก็ถูกโลกเขาติเตียนด้วยประการต่างๆเรียกกันว่าโลกาวัชะคำว่าปัญติวัชะอันนี้มีความผิดทางพระบัญญัติ คือทั้งโลกมันไม่มีความผิดอมีความผิดแต่ทางพระวินัยฝ่ายเดียวนะนนี้รายละเอียดเราก็เรียนมาแล้วแต่นี้ให้อท่านทั้งหลายได้อท บ, ทบทวนคําที่สําคัญสําคัญที่ควรจานั่นเองนะนี่คำว่าทุตุนลาบัตทุตุนลาบัตนั้นคืออะไรทุตุนลาบัตก็คืออาบัตชั่วยานะอาบัตที่มีความชั่วยา และมาช่วยหยาบนั้นได้แก่บอบวบอะไรก็คืออบวบชั่วยหยาบนั้นในคำพิพั ง, งท่านกล่าวว่าได้แก่อวบอาบปรสิทธิกับอบว บ, บสังกาติเศษเนะี่ยเข้ามาช่วยหยาบเพราะมีเรื่องหยาบขายอยู่มากนะคอคําว่าอะฐุทธุนลาบัตอัฐุทธุนลบัตคืออบับไม่ช่วยหยาบนะอบับไม่ช่วยหยาบไม่แก่อวบตั้งแต่ถุนนจใจลงไปอันนี้ไม่ช่วยหยาบเท่าไหร่เนี่ยคำว่าวุธฐานะขามินี นั้นคือพ้นได้ด้วยการอยู่กรรมพ้นได้ด้วยการประพฤติวุทิฐานใะนวิธีคืออยู่กรรมในวุฒิฐานคามินีคําว่าเทศนาคามินีคือพ้นได้ด้วยการแสดงพ้นได้ด้วยการแสดงเทศนาคาเมนีพ้นไ ด, ด้วยการแสดงนั้นก็ได้แก่อบัตที่มีความเบาตั้งแต่สุรจลงไปก็พ้นได้ด้วยการแสดงเป็นเป็นเทศนา เป็นเทศนาบัตรหรือเทศนาคาม่มีพ้นได้ในการแสดงคำว่าสาวะเศษสาวะเศษอันนี้ก็คือมีส่วนเหลือหมายความว่าอาบัตที่มีส่วนเหลืออาบัตในที่มีส่วนเหลืออาบัตนั้นชื่อว่าสาวะเศษส่วนเหลือก็คือยังไม่ขาดจากการเป็นภิกษุนั่นเองนั้นอาบัตที่เป็นสาวเศษก็นับตั้งแต่สังฆาทิเศษลงไปจนถึงตุปาสิก คำว่าอนาวเสดอนนาวเสดนี้ปฏิเสธเลยไม่มีส่วนเหลืออนนาวเสดไม่มีส่วนเหลือไม่มีส่วนเหลือนั้นหมายถึงอาบัตอะไรก็หมายถึงอาบั ต, าาบตปาราชิกนี่ไม่มีส่วนเหลือเลยก็หมายความว่าขาวจการเป็นภิกษุนั่นแหละเป็นการสิ้นสุดการสิ้นสุดสภาพการเป็นภิกษุน่นี้คำว่ามูลเฉดมูลเฉดแต่ว่าตัดรากเง่าตัดรากเง่าเลย อวบอะไรที่ตัดรากเน่าก็คืออบัตราราชิกตัดรากเน่าจากการเป็นเชื้อสายของสากยะสมณบุตรนั้นเมื่อต้องอวบตรารชิกแลยก็ชื่อว่าเป็นการตัดมูลเฉตตัดรากเง้ากันแล้วก็จะต้องลาสิขาไปหรือออกไปคําว่าอามูลเฉตอันนี้ไม่ตัดรากเง่าคือหมายความว่าต้องอวบละเมิดพุทธบัญญัติแต่ไม่ถึงกับการขาดจากการเป็นพิสุ เรียก ว, ว่าอมูลเฉษไม่ตัดรากเง้าพอที่จะแก้ไข ย, ยิวยารักษาได้ก็ต้งก็ได้แก่อัดตั้งแต่สังคารตเสษลงไปจนถึงตัวงาศึกนะทีนี้คำว่าปาราชิกการาชิกมัแปล ว, ว่าพ่ายหรือแพ้นะแปล ว, ว่าพ่ายหรือแพ้พ่ายจากเพศสมณะหรือแพ้จากการเป็นทิกสุในการที่จะอยู่ร่วมสังครรมต่างๆกับผู้ ที่เป็นพิสูจน์ทั้หลายก็พ่ายแพ้แล้วคําว่าสังหาริมารัพย์อันนี้ก็หมายความว่าทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ทรัพย์เคลื่อนที่ได้ทรัพย์อะไรที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองหรือสามารถนําไปได้โดยง่ายก็เรียกว่าสังหาริมารัพย์คําว่าอสังหาริมารัพย์ได้แก่ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เคลื่อนที่มาไห้คือติดอยู่กับที่โดยตรงได้แก่แผ่นดินโดยอ้อมได้แก่พวกต้นไม้หรืออาคารต่างๆคําว่าสัวิญญาณนกกัจทพย์ได้แก่ทรัพย์ที่มีวิญญาณครองศัพย์ที่มีวิญญาณครองก็คือมีวิญญาณมีความรู้สึกเรียกว่าสัวิญญาณกกัพย์คําว่าอัวิญญาณนักกัจทพย์คือทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครอง เรียกว่าไม่มีไม่มีจิตใจไม่มีความรู้สึกอะไรเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีจิตใจนั้นเครียกว่าอาวิญญาณากะสักเหมือนกันคำว่าสานติกะสานติกะนี้หมายความว่าต้องเพะสัง่งอต้องพศสั่งนั้นหมายความว่าอย่างไงต้องพศสั่งนั้นก็คือว่าเอาอบัติที่พิสูจสั่งให้คนอื่นทํำก็ต้องนะ คือต้องอาบัตด้วยเช่นสังให้เขาไปโจรกรรมอย่างนี้ที่สูงผู้สั่งก็ต้องผู้ที่อผูกสั่งก็ต้องอบัดเหมือนกันฉะนั้นอต้องฟ้สั่งเรียกว่าสารนติกะาผู้สั่งก็ต้องอบัตด้วยแล้วก็ผู้ที่ถูกสัง่งถ้าเป็นที่สูงไปทำเข้าก็เป็นอาบัตด้วยมีเรียกว่าสารนติกะส่วนกคำว่าอนานติกะอนานติกะนั้นไม่ต้องฟ้สั่ง นะไม่ต้องข้อสั่งหมายก็ว่าทําเองจึงต้องถ้าสั่งคนอื่นทําไม่ต้องเนะนี่ยเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นการสั่งให้คนอื่นเศษเบดถูลเนี่ยผู้สั่งไม่ต้องลาบาลัากแต่ผู้ผู้ที่ไปทําท่ทานต้องลำบากก็เรียกว่าอนานติกะนะคือไม่ต้องเข้อสั่งทําเองจึงต้องเนะี่ยคำว่ า, อ, าอุปสัมบันอุปสัมบันได้แก่ที่ษุคือผู้อุปสมบทนะ อนุสัสมบัติได้แก่พิกษุหรือผู้อุปสมบทคำว่าอนุปสัสมบัติได้แก่ผู้ไม่ใช่พิสูจหรือผู้ไม่ได้อุปสมบทนะผู้ไม่ได้อุปสมบทเรียกว่าอนุปสัสมบัติคำว่าอวหารอวหารนี่ก็คือการลักการขโมยที่เราเคยได้เรียนผ่านมาแล้วในหมวดของบาราชิกสิกขาบทที่เกี่ยวกับการลักเรียกว่าอวหารก็การลักการขโมยคำว่าอังคาด อังคาดเนี่ก็คือการถวายอาหารพระหรือการเลี้ยงพระนีเรียกว่าอังคาดซึ่งเป็นศัพท์ในทางพระพิณั ย, ยที่เราเคยผ่านมาแล้วเกี่ยวกับอังคาดอังคาดนี่คือการถวายพระถวายอาหารพระเลี้ยงพระคำว่าอนาจารย์อนาจารย์นั้นหมายความว่าการประพฤติไม่ดีไม่งามกาประพฤติไม่ดีไม่งาม ยื่ประการต่างๆนะคำว่าอนาบัตอนาบัตนั่นก็คือไม่เป็นอบัตนั่นเองเป็นการประเสธว่าไม่เป็นอบัตคำว่าอนยตอนยตนี่ก็แปลว่าไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่นอนอนยตสองเนี่ยที่เราเรียนมาว่าอนยตแปลว่าไม่แน่เป็นวิติกะมะคือการละเมิดที่ไม่แน่ไม่แน่เราจะปรับอบัตอะไร แต่ที่มีไว้ก็ได้กล่าวแล้วว่าเป็นคู่มือของพระวิไนทอนสาหรับตัดสินอนุวาตาที่ก่อนอันไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะเมื่อมีเกิดขึ้นมีใครมาฟ้องร้องขึ้นก็จะได้เป็นคู่มือในการที่จะตัดสินว่าอย่างไรนเรียกว่าอนัยยศแต่ไม่แน่คำว่าอธิษฐานอธิษฐานปลวัติตั้งเอาไว้นะคือตั้งเอาไว้ในการที่จะทําอะไร เช่นอธิษฐานผ้าก็ตั้งผ้าผืนนี้เอาไว้ในการที่จะใช้สร้อยอธิษฐานบาทรตั้งบาทผืนนี้เอบาทอันนี้เอาไว้ในการที่จะใช้เพื่อบิณฑบาตนั้นอธิษฐานก็คือการตั้งเอาไว้คําว่าอนนามาต์อนามาต์ก็คือของที่พิสูจไม่ควรจับต้องในของที่พิสูจไม่ควรจับต้องเนี่ยมีมากนะเช่นผู้หญิง เครื่องแต่งกายหญิงตลอดจนรูปพันธุ์สัญพานอันเป็นรูปถ่ายต่างๆก็เป็นวัตถุอนามาต์ตัตนะพวกแก้วแหวนเงินทองต่างๆเครื่องดักสัตอต่างๆอาวุธสัตราต่างๆก็เป็นวัตถุอนามาต์ทั้งสิ้นนั้นอนามาต์นั้นคือของที่ผู้สุไม่ควรจับต้องคำว่าอติกรอติกรก็คือคดีหรือเรื่องที่เกิดขึ้นเนื้อคดีในเรื่องที่เกิดขึ้น คำว่าอัตเรกจีวรก็ได้กีวรที่เกิดขึ้นนอกจากปลายจีวรคือผ้าที่เอ ờ, เกิดขึ้นนอกจากปลายจีวรซึ่งเป็นกีวรที่เราอธิษฐานไว้ใช้ถ้าเกิดขึ้นนอกจากนั้นเรียกว่าอัตเรกจีวรก็มีความกว้างตั้งแต่สี่นิ้วยาวแปดนิ้วขึ้นไปนั้นจัดเป็นอัตเรกจีวรได้คําว่าอัตเ ร, ก, ก, บบตรกบาตอัตเรกบาตนั้นก็หมายความว่าบาตรที่นอกจากบาตรอธิษฐาน ธรรมดาบาทนั้นทรงอนุญาตให้มี อ, องค์ละหนึ่งใบนะใบเดียวแต่ถ้ามีสองใบขึ้นไปเรียกว่าอตัติเรกบาทนะอตัติเรกบาทาคำว่าอภิสมาจารอันนี้ก็หมายถึงธรรมเนียมอันดีงามของพิสุที่จะชักนำความประพฤติของพิสุให้ดีงามขึ้นนะอภิสมาจาร คำว่าอจเจกะจีวรได้แก่จีวรรีบร้อนจีวอนรีบร้อนนั่นหมายความว่าอย่างไรจีวอรีบร้อนนั้นหมายความว่าผู้ถวายเนี่อรีบร้อนจะถวายยังไม่ถึงกำหนดในการถวายแต่ก็รีบร้อนจะถวายก่อนเช่นผ้าจำนำพันสาเนี่ยถ้าเกิดผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นกับทันหันกระทันดวนหรือมีอะไรที่ไม่ไว้ใจในชีวิตอยากจะถวายผ้าจำนำพันษาก่อนกำหนดพระก็ทรงอนุญาตให้ถวายก่อนได้นะ ให้ถวายก่อนออกพรรษาได้สิบวันเรียกว่าอแรมคําเอแรงหกคาเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเมื่อออเขึ้นหกคาเดือนสิบเ็ดนี่ยไม่ใช่แรงหกคําไม่อะไรคืออยังอีกสิบวันจะถึงวันประวัตนาบางท่านเนี่ยว่ายังอีกสิบวันจะถึงวันประวารณาเนี่ยให้รับผ้าอาเจ ก, กะชีวร น, นี่ได้เป็นผ้าจะนวนพรรษาที่รับก่อนเวลาเรียกว่าชีวรนรีบร้อ น, นทีคำว่าอัาจฉารย์นอัาจฉารย์นนี่หมายถึงการละเมิดประเพณี หรือการกระทำไม่ดีมีทาความผิดไม่ดีเนี่ยคำว่าอภหยริอันนี้ก็หมายความว่ากล่าวไม่ได้ว่ามีคือว่าจะมีเจตนาก็ไม่ใช่จะไม่มีเจตนาก็ไม่ใช่เรียกว่าอภัยริ์เช่นพิสุเอ่อนอนหลับแล้วฝันไปอาสุจิเคลื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเคลื่อนก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกรีบๆปลาๆหรือว่ามัน จะบอกว่าโอ้ยจะบอกมีเจตนาก็ไม่จะไม่เจตนาก็ใช่เขาเรียกอโพหารียกจำรับอวบันก็ไม่ได้คือกล่าวไม่ได้ว่ามีครับกล่าวไม่ได้ว่ามีว่ากล่าวไม่ได้ว่ามีเจตนาในการที่จะทําเช่นนั้นนี่คําว่าอพันธ์ดอนอพันธดรนี้ก็แปลได้หลายหนเช่นส่วนในก็ได้ภายในก็ได้ถ้ากลางก็ได้นะถ้ากลางได้หรือมาตราวัดก็ได้ใช่ไหมตราจะ่าเจนหนึ่งหนึ่งอพันดร เท่ากับเจ็ดวาเท่ากับเจ็ดวารายังไงเจ็ดวาก็เท่าไรอะไรก็ น, นี่ก็เป็นเครื่องวัดอีกอันหนึ่งเหมือนกันทีงคําว่าอภานอภานแปลว่าเรียกเข้าหมู่ก็หมายความว่าภิกษุที่ประพฤติมุฐานวิธีเพื่อออกจากอวสังการดิเศตนั้นครบกาหนดตามพระวินัยแล้วเรียกเข้าหมู่ตามเดิมอันนี้เรียกว่าอภานอภานแปลว่าเรียกเข้าหมูเนี่ยคว่าอัศดงคตอันนี้ก็คงจะเป็นที่รู้ชัดปรากฏแจ้งอยู่แล้วก็คือพระอาทิตย์ นะมืดค่ยนะคําว่าอาการได้แก่กิริยาภาพทางนะทําอาการอย่างนั้นอาการอย่างนี้ก็คือ ท, าทํากิริยาภาพทางนั่นเองคาว่าอาทิกกรรมมิกะอาทิกกรมมิกะนั้นได้แก่ผู้ที่เป็นต้นบัญญัติคือเป็นผู้ก่อเหตุให้บัญญัติสีขาบทเป็นคนแรกมันเรียกว่าอาทิกกรรมมิกะอาทิกกรรมมิกะนะ ต่อมาคำว่าอานิสงอานิสงเนี่ยก็คือผลนั่นเองหรือประโยชน์หรือผลดีผลดีนะอานิสง์คือผลอันเกิดขึ้นจากการที่เราทําอะไรลงไปหรือประโยชน์ที่ได้จากการที่เราทําอะไรลงไปนี่เรียกว่าอานิสง์คําว่าอาเมตอาเมตนี่ก็คือเหยื่อหรือเครื่องล่อหรือปัจใจอาเมตรนี่ใช่บอกว่าเหยื่อก็ได้บอกว่าเครื่องล่อก็ได้ แล้วก็ปัจจัยก็ได้จริงเราไปเราไปเห็นแก่อามิต h สินจ้างรางวัลอะไรนะก็บอกว่เห็นแก่เหยื่อนั่นเองนั่นอามิตรก็คือเหยื่อด้วยเครื่องล่อและก็ปัจจัยคําว่าอาวุธนะอาวุธก็ได้แก่เครื่องประหารแต่เป็นเครื่องประหารชนิดหนึ่งที่ไม่มีคมใช้ยิงใช้ซัดไปอ่ า, อาเป็นเครื่องประหารชนิดหนึ่งนะอาวุธคาว่าอาสนะอาสนะนี่ก็คือที่นั่ง อันนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปอาสนะอาสนะก็คือที่สําหรับนั่งนะคาว่าอาสันธิอาสันตินี้ก็ได้แก่ม้าสี่เหลี่ยมมา้มานั่งลนะสี่เหลี่ยมนั่งได้คนเดียวนะตามศัพท์บาลีว่าอาสันธิคือม้าสี่เหลี่ยมสําหรับนั่งและก็นั่งได้คนเดียวคําว่าอุเคปนิยกรรมได้แก่การยกพิษุออกเสียจากหมู่ ที่หมายว่าพิสูพูประพฤติไม่ดีไม่งามต้องอัมบัตไม่ยอมรับก็เป็นอัมบัตหรือยอมรับแต่ไม่ยอมแสดงและก็เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิหละมกนะมีทิฏฐิลามกก็ให้สงอนุญาตให้สงลงอเเุเกฤษณ์กรรมให้เรียกว่ายกออกเสียจากพวกยกออกเสียจากหมู่กันเองนั้นอุกฤษณกรรมจึงเป็นการยกพิสูพออกเสียจากหมู่คําว่าอุกฤษนะอุกฤษก็แปลว่าสูงสุดหรือยอย่างสูงหรือเคร่งครัดมาก นคำว่ า, าอุตริมนุษสธรรมได้แก่ทำอันยิ่งของมนุษย์ทาอันยิ่งของมนุษย์นี่ก็ได้แก่ฌานหรือมาผลอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่สําคัญที่เราควรที่จะศึกษาและก็จดจําเอาไว้ในการที่เราจะได้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆของพระวินัยที่เราศึกษามาอสําหรับวันนี้เวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความจเจริญจงบังเกิดมี แด่เพื่อนสาธรรมิกทุกรูปที่ตั้งใจศึกษาโรงเรียนมาท่านปรารถนาต้องการประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ไม่ขัดกับพระธรรมบินัยแล้วก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จดังความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาจงทุกประการเถิด